Thank you. คนที่จริงก็เรียกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกร้วนรักสุขเกลียดทุกข์ปรารถนาจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามแล้วก็ไม่อยากจะให้ความทุกขนะ์เกิดขึ้นกับตนจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องลงมือทำาพื่ศาสนาเราไม่เชื่อเรื่องการอ้อนวอน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 ศนะูญหายเงินถูกโกงไปก็เศร้าโศกเสียใจอะไราอววรเท่านั้นไม่พอนะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยแทนที่อเสียใจก็เสียสุขภาพด้วยเวลาทำงานก็ทำไม่ได้ไม่มีสมาธิเมื่อลอยเสียงานอีก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 เมื่อทารมะถามท่านว่าตอนที่ท่านติดคุกเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดแต่ที่ท่านจะบอกกลัวคนทรมานท่านจะบอกกลัวว่าท่านเนี่ยจะไปโกรธไปเกลียดนะคนที่ทรมานท่านพอถ้าถามเช่นนั้นเนี่ยมันก็คือการซ้าเติมตัวเองคนอื่นทำได้แต่สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายแต่ไม่สามารถจะ ยัดเย่ยความทุกข์ให้กับจิตใจของท่านได้มีคนเดียวที่ทำได้คือตัวท่าน mm hmm. ก็คือปล่อยให้ความโกรธความเกลียดครอบงำนั่นแหละคือการซ้าเติมตัวเองผู้เจ้าจัดว่านะคนพานปัญญาสามนะย่อมทำกบตัตเองเมื่อเป็นศัตรูหมายความว่าย่อมทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองทั้งโดยการผิดศีลทำบาปกรรมหรือทำร้ายตัวเองด้วยการที่ไม่รู้จักรักษาใจ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 การเผาศูนย์การค้าไปหลายแห่งนะอันนี้เราคงจำได้ก็มีร้านสุกี้ชื่อดังร้านหนึ่งนะโดนเผาไปสี่แห่งสี่สาขาศูนย์เสียไปหลายสิบล้านผู้จัดการก็มารายงานกับซ e o นะคุณลิตรโกมเบนซึ่งครอบครัวนี้ก็เป็นเจ้าของเครือข่ายสุกี้เนี่ยผู้จัดการก็มารายงานด้วยสีหน้าที่เศร้าโศ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 ไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่เราคิดอันนี้ไม่ช่วยทำให้เราไม่ซ้าเติมตัวเองป่วยกายก็เวลาป่วยก็ป่วยจากกายนะ่าใจไม่ป่วยเท่า น, นั้นเนี่ยไม่พอนะควรจะทำอีอกข้อนึ่งก็คือว่ารู้จักเห็นหรือหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นนะอูที่ว่าเราจะมองเห็นหรือว่าใช้ประโยชน์จากมันหรือเปล่า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 รับมือกับโรคได้ดีขึ้นมะเร็งไม่ได้น่ากลัวเลยนะเพราะว่าถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเธออาจจะตายเพราะโรคซึมเศร้าคือเธอเคยเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วก็พยายามข้าตัวตายมาสามครั้งแล้วแต่พอเป็นมะเร็งเข้าเนี่ย้โรคซึมเศร้านี้หายไปเลยหมอเนี่ยที่เคยรักษาเธอเป็นประจําเนี่ยออกปากถึงก็ออกปากเลยว่า การมองโรค ก, การมองเช่วงเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็งเธอว่าถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเนี่ยคงตายไปแล้วเพราะโรคซุมเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับมันทำมันฆ่าตัวมันทําร้ายตัวเธอเนี่ยโดยไม่รู้ตัวมาเป็นเวลานานอีกคนนึงเนี่ยนะเป็นโรคปลายประสาทกล้ามเนื้อปลายประสาทอ่อนแรงเรียนหนังสือนี่ก็ต้องให้พ่อเนี่ยอุ้มไปพาพาไปเรียน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 ี่นขนาดทุกข์นะทุกข์เรียกว่าสาหัสการแต่เธอก็ยังสามารถอยู่ขมันอยู่ความเจ็บป่วยได้เพราะเธอรู้จักมองเห็นว่าเออทุกข์มันมีประโยชน์ยังไงกาพูดแบบนี้มันคล้ายกับผู้อีกคนหนึ่งนะชื่อกนอกวรรณเนี่ยเธอเป็นโรคทรัสิเมียตั้งแต่เกิดหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกินยนะี่สิบทรัสิเมียเป็นโรคเลือดนะเป็นลักตาโปนตัวแห้งตัวผอมกระดูกเปล่า